ข้อที่สองคือความอดทนมุ่งมั่นยึดธรรมะและความถูกต้องชีวิตเราเหมือนกันทุกคนไม่มีชีวิตใครที่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกครับไม่มีกว่าจะรอดมาถึงขนาดนี้บางครั้งถูกความกดดันบางครั้งถูกเกลียดชังบางครั้งถูกอิจฉาบางครั้งถูกทาลาย บางครั้งมีอุปสรรคอย่างมโหฬารฉะนั้นความอดทนต้องมีท่านรู้ไหมครับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2493มาจนกระทั่งทุกวันนี้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาไปแล้วรวมน้ำหนักทั้งสิ้น220ตันรู้สึกกันไหมไม่รู้สึก พวกเราอะไรอะไรก็ผ่านตาไปโดยไม่มีสติยึดสติสิครับคงสติเอาไว้และจะทำอะไรอย่างดีอย่างถูกต้องแม้กระทั่งสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาพระราชทานปริญญาปีหนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนฉบับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระราชทานให้ราชภัฏราชมงคลอีกหนึ่งแสนฉบับอยากรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน วันนี้กลับบ้านหาของสามขีดแล้วนั่งยกส่งไปมา 2,400 ทีแล้วช่วยโทรศัพท์บอกผมด้วยว่าเหน็ดเหนื่อยเยมื่อล้าแค่ไหนไม่ทรงปริตพระโอษฐ์ประทับอยู่ในป่าในดงมืดค่าแมลงบินมาส่องไฟมแมลงบินเข้าหน้าเข้าตาหมดไม่ทรงปริดปากไม่เคยทากต่อยดึงออกปล่อยไปนั่นคือพระเจ้าอยู่หัว คุณสมบัติของข้าราชการต้องอดทนครับอ่านหนังสือพระมหาชนกซะถ้าใครยังไม่อ่านวักนั่นแหละคือชีวิตข้าราชการว่ายไปจะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นอธิบดีหรือเปล่าไม่รู้ใครเห็นฝั่งบ้างละ่ะตอนเริ่มชีวิตข้าราชการไม่มีใครเห็นฝั่งหรอกแต่ก็ต้องว่ายไม่เห็นฝั่งก็ต้องว่ายเพราะไม่ว่ายก็จมน้าตาย อาชีพอื่นก็เหมือนกันต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันไปในระหว่างทางที่ไหว้ปลาร้ายมันกัดก็มีสัตว์ร้ายมาตอดก็มีอันนี้คือชีวิตแต่บางครั้งก็มีสัตว์บางประเภทที่มาคอยเอื้ออารีมาคอยช่วยเราคอยพยุงเราให้เราหยุดพักเหนื่อยนางมณีเม่ขลาเปรียบเสมือนดวงชีวิตเราคอยดูแลธรรมะคอยดูแลเราอยู่เหมือนกัน พระเจ้าอยู่หัว59ปีนี่ทุกยากมากๆทรงงานมาจนกระทั่งวันนี้ผลพวงก็ออกมาตอนพระชนมายุ72พรรษาทรงเสด็จมาประทับที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินก็เพื่อรักษาอาการปวดพระปริศดางให้เข้าที่ต้องใช้เวลาตั้ง3 4ถึงเดือน เท่าที่ทราบมาทรงใช้จนพระวรกายศึกหรอภาษาชาวบ้านอย่างนั้นดีกว่าแล้วเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไรความอดทนของเราที่จำเป็นต้องมีเพื่อจ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์นั้นน้อยกว่าพระองค์ท่านเยอะเพราะเรารเผชิญแค่ปัญหาในสานักงานของเราพระองค์ท่านปัญหาทั้งชาติ พระองค์ท่านรับสั่งว่าตามปกติโครงสร้างของสังคมต้องเป็นรูปพีระมิดใช่ไหมทรงถามจะเป็นพีระมิดคนจนก็อยู่ที่ฐานโวยขึ้นมาหน่อยก็ขยบขึ้นมาเรื่อยๆและในฐานะพระเจ้าแผ่นดินก็เปรียบเหมือนคนสูงสุดพระเจ้าแผ่นดินก็เปรียบเหมือนอยู่ยอดพีระมิดอันนั้นคือโครงสร้างทั่วๆไปแต่พระองค์ท่านรับสั่งว่า โครงสร้างของสังคมไทยนั้นเป็นพีระมิดหัวกลับพระองค์ท่านแทนที่จะอยู่บนยอดประทับอยู่บนยอดพีระมิดสบายสบายต้องอยู่ก้นกลวยต้องมารองรับทุกอย่างมาเทสู่พระองค์หมดทั้งคนจนคนรวยอะไรไม่รู้ใครตีกันที่ไหนก็ถึงพ่อของแผ่นดินข้าราชการตีกันนักการเมืองตีกันพระตีกันไม่มีเว้นสักกลุ่ม สนุกสนานอะไรกันก็ไม่รู้ตีกันทั่วมันดีไม่มีคู่กัดก็กัดกันเองก็มันดีนั่งขยํำแขนกันเสร็จแล้วพอแก้ไม่ตกก็ถวายดีกายุติธรรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบพระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา59ปีกว่าพวกเราอายุราชการอย่างมากก็40ปีรับราชการอายุยี่สิบ เกษียณอายุ60เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้นขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้และพยายามทำตามให้ได้ธรรมะความถูกต้องทรงถือยิ่งกว่าสิ่งใดท่านรู้หรือไม่ว่า คนถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งส่วนมากเราก็พูดกันทั่วๆไปท่านเชื่อหรือไม่ว่ากองเนี้ยใครแตะไม่ได้นะครับทำบุญอย่างเดียวเพราะเจ้าของเงินเขาระบุไว้โดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งคนถวายนั้นถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและมักจะคิดว่าจะทรงทำอะไรก็ทำเถอะกองไหนตามพระราชอัยาศัย กองนี้ก็ถึงไปใช้อะไรก็ได้แต่พระองค์ก็ไม่เคยใช้ส่วนพระองค์เลยกำชับเรากำชับนักหนาเรื่องความถูกต้องในการดําเนินการต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกกระบวนการต้องยึดความถูกต้องไว้และเชื่อเถอะครับในฐานะข้าราชการหรือแม้แต่อาชีพอื่นถ้ายึดในสิ่งนี้แล้ว คุณจะสบายอกสบายใจคุณจะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ต้องกลัวใครจะใหญ่โตแค่ไหนถ้าคุณถูกต้องยึดความถูกต้องแล้วคุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้ทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณมีแผลแม้แต่นิดเดียวคุณก็ไม่กล้าหันหลังให้ใครหน้าก็ไม่กล้าหันกลัวคนเขาเห็นแผลกลัวคนก็เห็นในพฤติกรรมของเราหากเรายึดความถูกต้อง ในชีวิตเราก็มีความสุขนอนก็ไม่ต้องภาวาไม่ต้องทุกไม่ต้องอะไรตายเงาแห่งตันไม้ตันใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้ามไกลแต่เมือนว่าหัวใจพรากว้างกว่า ที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษา ไม่ที่พ่อปลูกต้องสวอยต้องงดงามใล ย, ยิ่งใหญ่สืบสารและติดตามจากรอยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพอยังงดงาม